เจ็ดปัญญาคืออะไรปัญญาคือการเห็นความจริงว่าทุกอย่างในโลกนี้รวมถึงกายและใจมีความเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปมีความบีบคั้นทนอยู่ในสภาวะเดิมไม่ได้ไม่ใช่ของเราไม่น่ายึดถือและเราบังคับควบคุมไม่ได้วงเล็บไตรลักษณ์วงเล็บปิดซึ่งเป็นลักษณะร่วมวงเล็บสามั ญ, ญลักษณะวงเล็บปิด ของทุกสิ่งในโลกแห่งความเป็นจริงและปล่อยวางได้